อันนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญเมตตากับเจริญสติเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันเพราะมีข้อหนึ่งว่าอันนี้ส่งข้อสิบเอ็ดข้อสี่สิบไม่หลงสติเวลาตายไม่หลงสติอ ะ, อะสัมมุละโหกัรังการติไม่หลงสติเวลาตายคือได้สติในเวลาตาย ตัวนี้ก็สำคัญทั้งหมดอั น, นิี้สมถึงสิบอย่างวันหลังจะพาสวดนะวันหลังจะพาสวดเมื่อเราซึ่งมีธาตุมีขันนะมีธาตุมีขันที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานถ้าเราฝึกจิตให้ร้อนมันก็ร้อนฝึกจิตให้เย็นมันก็เย็นนะฝึกจิตให้สงบมันก็สงบแล้วแต่เราจะฝึกทีนี้ตัวที่จะฝึก กายฝึกใจให้เป็นไปต่างๆได้เนี่ยก็คือเริ่มต้นอย่างที่เราสวดนี่แหละฝึกไปตามลำดับนะเมื่อวันก่อนเราพูดถึงเรื่องอเดียบทใหญ่นะการยืนการเดินการนั่งการนอนตอนเช้านี้เราก็จะพูดถึงเรื่องอียบทย่อยที่เราสวดไปเมื่อกี้นะพิกันเตปติกันเตสัมปชัญญการิโหติ ในอิออริบทใหญ่เนี่ยท่านใช้ก็ว่าคัดชันตัวคัดชาหมีติปชานาติท่านใช้ก็ว่าปชาณนาติคือจะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนเนี่ยให้รู้ตัวชัดๆท่านั้นเองเนี่ยควรู้ตัวชัดๆไม่ได้หมายถึงเพ่งถึงกดถึงจ้องดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องอทําให้ชัดเสมอแน่นอนว่าเมื่อจะทําให้ชัดเนี่ย มันจะช้าลงกวปกติมันจะไม่เร็วเหมือนกาที่ปกติฉนั่นแหลเราต้องช้าลงนิดหนึ่งเพื่อให้มันชัดนั่นเองนะและตัวชัดนี่เองจะเป็นเหตุให้เกิดตัวปัญญาต่อไปเวลาสวดทุ่งช่วงเช้าอ่ะเราจําได้ไหมเกวรสะทุกขคันธัสะอันตรกิริยาปัญญาเยทาติธรรมฉไนนการธรรมที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด ปัญญาเยียถาต้วนั้นแปลว่าปรากฏชัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเส้อก่อนเนี่ยในความชัดเจนในแง่ของการเคลื่อนไหวการสังเกตเนี่ยมันก็จะทำให้ไวเกินไปไม่ชัดเมื่อไม่ชัดแล้วสมาธิจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเลยคำว่าประชานาติคือว่า ให้คัดชั้นต่อไปท่านระกว่า น, นิสินโนวานิสุนเนมหีติปชาณติเมื่อนั่งให้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ให้รู้ชัดๆว่าเรานั่งอยู่นั่งคำว่ารู้ชัดนี่มั น, นเพราะว่าสะกดตัวเองให้นั่งนิ่งอยู่ไม่ใช่ชัดแบบนั้นนะแต่ในขณะที่เรานั่งเนี่ยอาการอะไรที่เกิดขึ้นในกายบางให้รู้มันชัดชัดอาการ เย็นอาการร้อนอาการ อ, อ่อนการแข็งการตึงการไหวการเคลื่อนการหนักการเบาการเจ็บการปวดที่มันเกิดขึ้นแต่อลอดเวลาเนี่ยให้เอาตัวสติตัวเนี้ยเข้าไปรู้ให้ชัดๆไอการรู้ชัดที่ละจุดในช่วงการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสำหรับเบื้องต้นผู้ใหม่เนี่ยต้องเริ่มจากจุดนี้ไปก่อน ถ้าชัดหยับหยาบยืนก็รู้ว่ายืนนั้นเวลายืนเนี่ยจึงหลวงพ่อจึงพายืนเป็นจังหวะจังหวะเพื่อให้ชัดเวลานั่งก็พานั่งเป็นจังหวะจังหวะเพื่อให้คําว่าประชานาติเนี่ยมันมีผลในภาคปฏิบัติมันไม่ชิดทไม่ใช่ทฤษฎีแล้วเวลาจะเปลี่ยนใช่ไหมเวลาเปลี่ยนนิยบดให้รู้ชัดๆว่าตัวอาการต่างๆมันดับไปยังไงตัวอาการหนักดับไปยังไงเวลานั่งลงไปใหม่ ตัวอาการสบายปรากฏก็ Further, Family, ร, รู้ให้ชัดไปเรื่อยๆทนีนี้พอมาหมวดที่สองที่เราสวดไม่เช้าเนี่ยว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานกาัลีพอมาหมวดที่สองท่านใช้ว่าสัมปชานากาัลีหมวดแรกท่านใช้ว่าประชานาติใช่ไหมคัดชั่นโตวาคัดชาเมติปรญชานาติพอไปมาหมวดที่สองท่านใช้ว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานากัลีิโอติ คำว่าสัมปชัญญะกะลีกับปัญญานติต่างกันอย่างไร <c oughs> คำว่าปัญญานตีไม่ค่อชัดในขณะที่เราเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคําว่าสมมุติว่าหลวงพ่อจะจับแก้วนีให้ชัดในการเคลื่อนมือไปจับแล้วก็ยกมือในขณะที่กําหนดรูด้ชัดจะกายกับใจไปด้วยกันไหมไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่ามือจับจะจับกี่แก้วใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้คือเรื่องไม่ชัดละ พอกายกับใจไม่ได้ไปด้วยกันเรียกมือกับไฟฉายไม่ได้ไปด้วยกันนะนี่ชัดอันนี้คําว่าชัดเป็นจุดที่อิเดียบทใหญ่ๆยืนเดินนั่งนอนพอมาหมดที่สองน่าจะสัมปชานาการีคือทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมายของว่ามันไม่ได้ชัดจุดนี้จุดเดียวละ่ะมันชัดทั้งตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความชัดต้องต้องฉายไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเปลี่ยนสิ่เหมือนอย่างนี้เวลาเรา กดไฟฉายแต่ไฟฉายอยีกอันคือมันโฟกัสเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมไฟฉายที่ชี้จุดไอ้โปรเจกเตอร์นะหรือไฟฉายเดี๋ยวนี้เป็นจุดเล็กๆเกนะี่ยยิงไปไกลๆแต่พอสัมบัญชร์มันจะเป็นแบบนี้มันกว้างนะมันกว้างขึ้นจุดโฟกัสมันก็จะกว้างขึ้นก็ทําให้เห็นทั่วๆตัวตนี้สัมปัญชร์นักการีคนนั้นจะใช้คําว่าฉายฉายลงนะ ตรงนี้ไอ้ลีลาวดีไม่รู้เข้าใจนะลีลาวดีเว้นวีทอกกระเป๋าดีสัมปชัญญะปัพพาอ๋อสัมปชนาการีที่เ talk about how to try our the right of m i n d f u uh, l n e s s try to be aware of our whole body right like guy you <c oughs> touch light we have two type kind of touch light โฟกัสเป็นโฟกัสใน one point like the t h like a, a projective point but at the time ท o ่เ w าไม่มีโฟกัสมันไม่่ fixed point o c u s i n น point แต to take o f the focus take ใ่ the whole body นั่นคือที่เร a ยกว e าเซ o n r net ใช to t r u g whole body t ั a t s how to Fo าโฟกัส uh, like one point เราน่าจะพยายามที่ one point บางทีทำให้คุณตึงแต่ถ้า h ราพยายามที่จะใช้ทั้งร่างกายจะณผ่อนคดังนั้นเเมื่อเราสรวจรู้ได้ชัดแบบนี้ปั๊บแล้วก็ลงในบทย่อยว่าการเดินไปข้างหน้าเวลาเดินไปข้างหน้านี่ ถามบางคนถามว่าชัดเฉพาะเท้าที่เหยียบหรือชัดตรงไหนท่านบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปขณะที่เราเหยียบเนี่ยจะรู้สึกแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่มันจะต้องมีการยกการยกขึ้นมันจะรู้สึกเบาเวลาเหยียบไปจะรู้สึกหนักก็ให้รู้ชัดกันหนักรู้อาการหนักเบาที่ชัดแล้วเวลาก้าวไปเนี่ยความ รู้ตึงตามขาตามข้อตามาหลังตามไหล่เนี่ยความรู้สึกเหล่านี้มีไหมก็ให้รู้ทั่วไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปรู้แต่ฝ่าเท้าอย่างเดียกก็เป็นอันแรกก็คือประชานาติแต่พอเราเริ่มรู้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเรื่อยๆรแต่ไม่ใช่รู้ด้วยความคิดหรือเอเมจินนะแต่มันเป็นความรู้สึกจริงๆรู้สึกหนักรู้สึกเบาในข่ายายก ให้ตัวรู้สัมพันธ์กับตัวอาการที่เป็นไปนในกายถึงจะเป็นสัมปชัญญการีแต่ถ้าหากว่ามันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยก็เราก็จะสร้างอิมเมจขึ้นมาซึ่งนั้นไม่ใช่นะเขาเรียกว่าสร้างสติในความคิดสร้างสัมผััญญาในความคิดไม่ใช่สร้างสัมปััญญาในความเป็นจริงนะทีนี้อันที่สองมาท่านบอกว่า อะโลกิเตวิโลกิเตสัมปชนาการิเหลวซ้ายไหลขวาเนะี่ยเคยตั้งใจเหลวซ้ายเหลวขวาไหมเคยตั้งใจทำไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจมันไปเองเลยใช่ไหมเอาอะไรไปวับเลยตอบสนองทันทีก็งั้นแต่แอ่อ้้าเฝึกอย่างนี้ปั๊บเวลาคนถามที่ข้างหลังวันนี้จะไปไหนเนี่ยไดย้เสียงก่อนกําหนดรู้แล้วก็ค่อย มึงตัวกลับไปก็จยากรู้สึกตัวใช่ไหมวันนี้จะทําอะไรคนอยู่ด้านซ้ายให้มุนไปแต่หลวงพ่อก็ทําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเวลาแค่ทำปั๊บหนูก็ไปปั๊บเหมือนกันแต่ว่ามันชํานาญแล้วแต่รู้ตัวนะรู้ตามก็ได้นะถ้ารู้รู้ตัวตรงนั้นไม่ได้ก็รู้ตามอ๋อมุนไปก็รู้ตามนะตามรู้ไปเรื่อยๆถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันก็จะเป็นขึ้นมา ซึ่งเอามาว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เร า, ามันนุ่มนวลอยู่ในตัวนะนะมันมันไม่ใช่ตั้งใจเกินไปแต่ให้ให้รู้ตัวทั้งหมดที่สามที่น่าสนใจนั่นใช่ําว่าสำ ม, มินชิเตปาสาลิเตสัมปชาญาการิโหติมีความรู้สึกตัวพวกอพร้อมในการคูเข้าแล้วก็เหยียดออกเวลาจะ ไปจับของนี่เอเยดออกใช่ไหมแล้วก็เอาเข้ามาอันนี้ <c oughs> สัมินชีเตป า, า ป, า, า, ป า, าสายิเตก็คือให้รู้ตลอดหลวงพ่อเทียนท่านเลยจับจุดนี้มาเป็นสร้างจังหวะเลยหูเข้าแล้วก็เยดออก <c oughs> อันนี้เพราะนั้นครูพิษนะครูพิษรา ม, มันวงที่ในสถาบันเราเนี่ยถามเรื่องนี้ว่า ม, มาได้พิษ พระเถพิโดกตรงไหนหน้าไหนเนี่ยขาถามในวิธีการยกมือเนี่ยไม่รู้ว่าเขามารวมฟังโดยหรือเปล่ามนนะ <c oughs> มีใช่ไหมนามสกุลรามันบนะุญเขาบอกว่าอยู่ที่นี่แหละมาก็บอกว่าตรงนี้แหละมาได้พระเถิโดกว่าในสถิปัฐานสูตรหมวดว่าด้วยสัมปชัญญะปับภาในหนังสือสวดมนต์ลืมตากว้างๆถ้าลืมตาหลับตามันจะง่วงนะมัน <c oughs> จะง่วง อันนั้นหนังสือส่วนมนของแร่แสงเทียนหน้าที่แปดสบเก้นับลงบนธาตที่6บอกให้ชัดไปเลยนะฮะแล้วก็เอามาจากไหนมาจากพระไตรปิฎกในสถิตมหาสิทธิปทานสูตรเนี่ยตรงไห น, นตรงอ่ะสัมมินชิเตปาสาลิเตแต่เขาไม่ได้บอกว่าสร้างจังหวัดสี่จังหวัดนี่เรามาแอพลายเอาแต่ท่านบอกเป็นหลักหลกว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมบัญชนาการอิมมติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะดคูเหยตอวัย ว, วะ การสร้างจังหวะนั่นเองแล้วก็มาแอพลายให้มันมากขึ้นแล้วคูแค่รู้แค่สองคือคู่กระเบียดมันน้อยไปแล้วก็ทําเป็นจังหวะเสื้ยสิบสี่เลยทีนี้เพราะฉะนั้นในเวลาเราไปปฏิบัติยกมือที่ไหนเอ๊ะทำอะไรแปลกแปลเพี้ยนเพี้ยนมีในพระใจปิดโดกรึเปล่าเราก็อ้างตรงนี้แต่ต้องไปจําให้ได้นะฉันก็จาไม่ได้มันมาตรงไหนมาล้วมานั่นพระใจบิดโดกฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันก น, นี่เรื่งบางทีเราก็โมเมอเราต้องจาให้ได้เออ ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเป็นหลักฐานนะทีนี้เมื่อยุคคูเข้าเหยียดออกที่เราย่อยแยกจากสองเนี่ยให้เป็นส4มันก็เกิดความถี่ของความอของสติมากขึ้นและความถี่นี่มันก็จะสั่งสมความไวอ่านั้นปัจจุบันนี่เรามีปัญหาเรื่องความถี่กันใช่ยิ่งถี่ความถี่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดใช่ม ความถี่ของเสียงสูงก็ชัดความถี่ของภาพสูงมันก็ชัดเรามาสมมุติกันเป็น 3G มจีสี่ีห้ีทุกวันก็คือตัวนี้แหละปัญหาเรื่องนี้แหละค่าราคาสูงเลยนะก็คือความถี่นะทีนี้เมื่อเราเราใช้กรรมฐานเนี่ยต้องใช้ความสถี่ของสติสัมยาที่สูงมากอย่างลมหายใจเนี่ยทำไมจึงช้าสําหรับคนปัจจุบันก็เพราะว่าความถี่มันมีแค่แค่แหละ สองสามสี่อย่างย่งหลักๆเขาคือสองคือหายใจเข้าใช่ตามรู้แล้วหายใจออกตามรู้ถึงแม้ว่าเราจะกำหนดว่าขนาดลมหายใจเข้านี่นะมันจะต้องสัมผัสอาจจะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นสัมผัสต ร, ตรงไหนบ้างเวลาเข้าเนะี่ยมันก็ยากในการที่จะไปตามสัมผัสอย่างนั้นใช่ไหมแต่รู้แน่ก็คือหายใจเข้าไปถึงท้องหายใจออกแล้วเขากำหนดเป็นท้องปองท้องยุบบ้าง บางคนทำต้องการสองขนาดทำให้ชัดกว่านั้นอีกมาให้ใจคูดออกโทนเนี่ยก็มันก็มีแค่สองอยู่ดีแต่พอมากำหนดเป็นจังหวะนี่ยมันมีถึงสิบสี่แต่หลวงพ่อทองไม่ยอมบอกห้องต้องไปส<ม>ิบห้าว่างั้นนะเอาสิบห้าก็สิบห้ารวมทั้งจังหวะเตรียมด้วยเนะี่ยลองทำดูครบสิบห้าเตรียมหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็สองสามสี่ห้าหก เอ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครบสิห้าใช่ไหมทีนี้ใน <c oughs> ข้างละข้างละเจ็ดข้างหนึ่งแปดเียก็เป็นสิบห้า ทีนี้ถ้าไปอินิบทย่อยอีกอเพิ่มความถี่ขึ้นนะเฉพาะหมวดของสัมปชัญญะปะพระเนี่ยในตัวหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็รู้จังหวะก้าวความถี่ในการยกอีกการที่จะไปตามรู้ทั้งหมดเนี่ยความถี่ของความรู้สึกตัวก็สูงขึ้นแล้วพอมาเหลวซ้ายแลขวา เรือไ้และกว๋วก็ต้องรวมมาเลยก้มเงยใช่ั้ยการก้มการเงยการาบิดเนื้อบิดตัวก็รวมอยู่ในอโลกิเตวิโลกิเตหมดแต่ในคูเหย็ยดขึ้นไหวจึงรวมไปหมดเลยในช่วงที่สร้างจังหวะเนี่ยความถี่จากสองกลายเป็นสิบสี่หรือสิบห้านะบางคนถามเพราพว่าสิบสี่นมาจากไหนเอามาจากพพุทธเจ้าเอามาตอนไหน อตอนพุทธเจ้าประสู่จากขานันมาร ด, ด 7, 9, าท่านเดินได้7ดเก้าไงแล้วท่านเดินได้สองขามันก็เป็น14บเก้าก็ไปตรงนั้นเลยเตะประตูเตะบอลเข้าประตูเข้าโกรูตัวเองหมดเลยเงี้นะ่เก้าขาซ้ายเจดขาขวาเจ็ก็เป็น14บสนะีเก้าพุทธเจ้าเกิดแต่ท่านไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องมันดาท่านหมายถึงว่าพุทธภาวะมันจะเกิดต้องอาศัยขณะชวนจิตจิตชวนะใช่ไหมล่ะจิตชวนะที่นี่มันเกิด เจตชาวนะดับเจตโชาวนะก็เป็นส4บสมันก็สอดคล้องกับสภาวจิตนะแล้วก็มาทำอันนี้ก็เพื่อจะให้เห็นถึงรูปธรรมและนามธรรมนะเพราะนั้นเมื่อตัวเคลื่อนไหวดีบทย่อยมันถูกตามรู้อันที่สมใช่ไหมสมอันที่สี่ว่าไงสังคาติปัตะจีวะธ า, ารเนสัมปัชาณกาลีโหติ ใช่ไหมเป็นผู้มีความรู้สึกทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะทรงสังขารติบาทชีวรถ้าเป็นชาวบ้านเร า, เาไงเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการใส่เสื้ อ, อใส่เสื้อแต่งตัวทาคิ้วทาปากทาเล็บก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดเลยเนะี่ยอันนี้เป็นอีกบทย่อยทั้งนั้นเลยได้รู้สึกตัวเมื่อเวลาแต่งหน้าต่งตางๆยเวลาใส่เสื้อทําผมเนี่ยไม่ผิดนะ แต่ให้มีความรู้สึกตัวชัดๆด้วยโอ้ชัดขนาดนั้นฉันก็ไม่มีเวลาไม่ทันเวลาหลวงพ่อต้องรีบแต่งรีบไปเหมือนกันะก็คือรู้เท่าที่รู้ได้ในสิบนาทีแต่งตัวสิบทีให้มันรู้สักสองนาทีสนาทีก็ออยังดีแต่พอเรามาปฏิบัติแบบนี้มันก็รู้มากขึ้นไปเลยแต่งตัวสิบนาทีก็รู้ตัวสิบนาทีเพอเพอบรรลุธรรมได้ง่ายด้วยนะอันนี้คือการอาบน้ําแต่งตัว แล้วก็จัดแต่งธุระชุนตัวของตัวเอง อ, อย่างไรก็ค่อยให้รู้การรีดผ้าการซักผ้ารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะให้รู้สึกตัวอันที่หว่าไงอันที่5้าบอกว่าหา <c oughs> ปีเตขายิเตสายิเตสัมปชัญะกาลีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเคี้ยวการดื่ม นะการกินการเคียเยเ้ยวการลิ้มการเคี้ยวการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเวลาเราทานอาหารใช่ไหมมีการดื่มการเคี้ยวกี่ครั้งกืนกี่ครั้งเวลาเอื้อมมือไปดักอาหารก็คือสัมพันธ์กันหมดเลยอันที่หท่านว่ายัางไงอันที่หกท่านบอกว่าอุจจาระประสะัสวากรรมเมสัมปชานาะการิโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ เข้าห้องน้ําใช่ไหมเวลารู้สึกอยากเข้าห้องน้ําปั๊บเนี่ยเราไปจับปฏิบัตตอนไหนเริ่มตั้งแต่รู้สึกว่าจะเข้าห้องน้ําเนี่ยตั้งแต่ลูกขึ้นแล้วลูกอย่างไรแล้วก็เดินไปขณะเดินไปไปถึงหน้าประตูเอามือไหนออกก่อนที่จะเหยียดมือออกไปที่ จ, จับลูกบิดประตูหมุนปับ๊บ แล้วพูถ้าไปตามลําดับแบบนี้ไม่ไหวนะมันออกก่อนเลยมันก็ต้องไวตามเหตุปัจจัยของมันไงไม่ใช่ว่าเจริญสติมันจะช้าสเสมอไปคือให้เร็วก็ให้รู้ว่าเร็วช้าก็ให้รู้ว่าช้าแต่ต้องการอะไรความชัดเจนอย่าลืมหลักต้องการคุณจะช้าก็ได้คุณจะเร็วก็ได้ต้องการความชัดเจนนะชัดเจนเร็วอย่างเมื่อก่อนมาเป็นคนไวไวก็มันไม่ชัดเจนมันก็ผิดเยอะ พอมาเจริญสติปั๊บมันก็ไวเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันชัดเจนเพราะฉนั้นตอนที่เราฝึกเนี่ยฝึกให้ชัดไว้ก่อนอย่าพิ่งไวพอไวตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ชัดแต่นี่พอมันฝึกความชัดเจนเอาไว้ตอนชอนาน้าๆพอนานเข้านานเข้ามันก็ชัดดังนั้นามาค่อนข้างมั่นใจว่าตัวคําว่ามัชชิมาปฏิปทานเนี่ยสายกลางต้องแปลว่าทางสายตรงอย่างยมจะยิง ปืนหนึ่งนะยิงหน้าไม้ยิงหนังสติ๊กเนี่ยถ้าลูกกระสุนมันไปไม่ตรงจุดเนี่ยถือว่ามันไปตรงไหมถ้ามันเฉซ้ายนิดหนึ่งเฉขวานิดหนึ่งก็ไม่เข้าเป้าเราวใช่ไหมแล้วสมมุติเราสมมตุมมติเรายิงนกกันละกันนกก็เป็นเป้าถ้าสมมุติคนที่ยกปืนยิงหรือหน้าไม้ยิงเนี่ยช้านิดหนึ่งจะทันนกไหมไม่ทันเพราะฉะนั้นลูกปืนหรือลูกหน้าไม้ต้องวิ่งไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แล้วมันถึงจะไปทัน เป้านั้นที่เราต้องการถ้าหากกระชา้นิดหนึ่งนกก็บินหนีแล้วหรือสัตว์รู้ตัวนิดนึงมก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นพอจะโปะก็ยิงเลยเพราะฉะนั้นลูกกระสุนเนี่ยต้องไปตรงตรงเป้าเหมือนกันขณะที่ตรงเป้าของเราก็คือตัวปวดขาเนี่ยเป็นเป้าที่เราต้องยิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าสอนเนี่ย ที่เป็นหน้าไม้ลูกเมื่ก่อนเขาใช้ลูกศอนใช่ไหมใช้สอนยิงไม่ใช้ใช้ปืนเหมือนเดี๋ยวนี้คําว่าสอนเนี่ยมาจากเขาเขียนไว้ไงสอนเขาเขียนให้หลวงพ่อดูเลยสอนสอหอสาราแล้วก็รอลิงแล้วรอเรือรอเรื อ, ร อ, อนี่นึกออกไหมสอนเดี๋ยวนี้แปลว่าแล่นอะไรก็ตามที่มันแล่นไวที่สุดอันนั้นชื่อว่าสอน คนอินเดียเขยืมคำคำเนี้มาใช้คําว่าสระแต่เป็นโสเสือลอเรืออันเดียวกันแต่ว่าถ้าเขียนแบบสันสกฤตใช้โสคอยสาถ้าเขียนบาลีใช้โสเสือแต่รากศัพท์อันเดียวกันคือแปลว่าเล่นนะดูนะถ้าโสเสือลอเรือลงปัใจจัยใน บาลีคือติปัจจัยติเนี่ยมันไปอยู่กับตัวไหนแล้วตัวนั้นก็ลากลากสับสองตัวมันจะหายไปตัวหนึ่งแทนที่จะเป็นสระติกลายเป็นสติรอเรือัว น, นหายกลืนถูกติตัวนั้นกลืนไปตามปัจจัยของในบาลีในอักขยาดภาษาบาลีแต่ถ้าไปลงนปัจจัยเนี่ยรอเรือยังอยู่เช่นคาว่าสารณะเห็นไหม แต่ถ้าไปลงติปัจจัยรอหายไปเป็นสตินั้นคาว่าสารณะสติมาจากรากอันเดียวกันสติจึงแปลว่าแล่นแต่พอเรามามาแปลเป็นความหมายของนามธรรมเราแปลว่าอะไรแปลว่าระลึกอ่าพอมาแปลวความหมายของอ่าสภาวะที่สูงขึ้นไปแปลว่าพูดทางสารานังข้าฉามิข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรเป็นที่พึ่ง เอาาแปลว่าเป็นที่พึ่งสติเน่ยเราถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสติเอาพระธรรมเป็นสติเอาพระสงฆ์เป็นสติคือเป็นที่พึ่งเพราะนั้นสติจึงแปลว่าที่พึ่งแต่ว่าสติกับสาระมาจากรกากศัพท์เดียวกันแต่ว่ามันลงปัจจัยในอาขยาดในวิพัตปัจจัยของบาลีมันมีสูตรของมันถ้าคุณเรียนภาษาบาลีจะรูถ้าลงหน้าปัจจัยหลังธาตุคงอยู่ถ้าลงติปัจจัยหลังธาตุต้องหายไปในตินั่นเป็นสติสติจึงแปลว่า เอ๊เกิดอะไรขึ้นไม่ค่อยปกตินะัเนี่ยสติกินแปลว่าเล่นนะทีนี้ตัวรู้สึกเนี่ยต้องแล่นไปให้ทันอะไรให้ทันจิตจิตเป็นตัวเหมือนนกอะ่ะมันบินไปตรงโน้นตรงนี้ใช่ไหมถ้านกมันไปเกาะที่ไหนถ้านกมันยังบินอยู่เนี่ยปืนข้างนอกอน่ยยิงทันไหมไม่ทันต้องนกเกาะก่อนใช่ไหมจถึงจริงไงแต่จิตของเราต้องไวกันแม้แต่นกบินอยู่ก็ต้องยิงให้ได้ให้ได้ แม้แต่จิตมันยังวิ่ว่อนอยู่เนี่ยเอาสติไปยิงตกเลยพอรู้สึกตัวปับ๊บความคิดไปไงถ้าหากว่ายิงไม่แม่นกำหนดรู้และลึกรู้อยู่แล่นไปอยู่แต่ว่าความคิดยังทำงานเฉยเลยนั่นแสดงว่ายิงไม่ถูกถ้ายิงถูกป๊ะเดียวพอรู้สึกตัวปับ๊บความคิดไปไงล่วงพบเลยของเราเป็นอย่างนั้นไหมกำหนดรู้แล้วรู้อีกยังคิดเฉยเลยนะแสดงว่ายิงปืนยังไม่แม่นนะ ยิงยิง ย, ง ย, ง ย, งยิงสอนยังไม่แม่นเพราะฉะนั้นคนที่จะยิงปืนแม่นขนาดจับวางเนี่ยเขายิงเขาฝึกซ้อมสักกี่ครั้งถึงจะทําได้ขนาดนั้นพวกมือฉมังใช่ไหมชักปืนมาโป๊ะเข้าจุดเลยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเสียกระสุนมากหรือน้อยกว่าจะได้ขนาดนั้นน้ําไม่ท่วงน่ะใช่ไหมเป็นสแสนแสนล้านล้านลูกอว่ากว่าจะจับเป๊ะเดียวให้มันเข้าที่เนี่ยเหมือนกันกว่าจะกําหนดความคิดหรืออารมณ์ให้มัน กำหนดรู้ปั๊บหยุดปุ๊บเนี่ยมร่วงเลยนั่นแสดงว่าเราต้องฝึกสติไปไงม า, มากเยอะมากเหมือนกับคนแม่นปืนกว่าจะจับแม่นเหมือนจับวางเนี่ยเขาต้องเสียก ร, สกระสุนไปไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะแม่นอย่างนั้นได้ใช่ไหมฉันใดก็ดีกว่าเราจะสติของเราจะไปจับความคิดอารมณ์ให้ชอ็อตให้สต็อปให้หยุดเหมือนจับวางเนี่ยเขาก็จะต้องเราก็จะต้อง ยกมือไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งกว่าจะแม่นสักครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าบางคนเก่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียกระสุนมากใช่ไหมความคิดปรุงแต่งอารมณ์มาปับ๊บกาหนดรู้ปุ๊บดับปุ๊บเลยนี่บางครั้งดับบางครั้งไม่ดับใช่ไหมถ้าหากว่าเรื่องใหญ่ๆยิงเท่าไหร่ไม่ยอมลงเลยดิ <laughs> ยิงแล้วบางทีลูกปืนปืนด้านอีกตากนะ่ตงงก า, างหากนะฮะตี้โดนยิงสวนกลับอีกต่างหากนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นรูปธปรรมมากเลยท่านเอาใจคำว่าสอนนั่นนะปชื่มาชื่อของเขามาสติแปลว่าระลึกข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีสองคำใช่ไหมข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่เวลาไปยิงนกข้าพเจ้ายิงให้แม่นก็นแล้วกันนี่มาจากรกากศัพท์เดียวกันคือสรารธาต นะอันนี้ข้อดีของภาษาบาลีถ้าเรารู้แล้วจะมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ดังนั้นเราต้องฝึกให้เยอะเลยเพื่ออะไรเวลาง่วงเนี่ยง่วงเป็นเป้าเราใช่ไหมเราต้องยิงความง่วงให้ตกยิงง่ายไห้ความง่วงโอ้โหมันมาเกาะทีแล้วกาะห น, นังตาเนีต่ตกเลยเพราะงันนะ่ยยิงเท่าไหร่มันไม่ยอมหนีเลยแสดงว่าปืนของเราเป็นไงมันด้านหรือมันก็ยิงสเปสบาทไม่ถูก แต่ไ อ, ไอป้ามันใหญ่เลืเกินนะหนักเลืเ่อนนะ่ะต้องใช้อะไรไม่ใช่ยิงแล้วต้องใช้ระเบิดต้องใช้ระดับระเบิดแล้วมันถึงจะออกเพราะนั้นนั่งเ ง, งียบเงียงมีงงสติไม่ไม่ไหวก็ต้องใช้ระเบิดก็หมายควลุกไปเลยไปล้างตาล้างตาขยี้หูขยี้ตาหายใจลึกๆตบแขนตบขาแต่ว่ายัางใช้ปืนปืนมันไม่ยิงไม่เข้าอันนั้นคือใช้ความพยายามตรงนั้น ถ้าหากเรานั่งง่วงอยู่แสดงว่าเรามีความพยายามความพยายามไม่พอต้องใช้ความพยายามที่รุแนแรงกว่า น, นั้นอีกนี่เขาเรียกว่าเป็นวิริยะซึ่งจะได้กล่าวในวันต่อไปเรียกว่าสัมมาวายามะนะแต่วันนี้อยากจะให้ทราบว่าในอิอริบทย่อยเนี่ยเราต้องเอามาใช้ให้เยอะเพื่อสั่งสมความถี่ของความรู้สึกตัวเมื่อความถี่ของมีความรู้สึกตัวสูงแล้วมันจะไวเหมือนลูกปืนเมื่อวันไแล้วมันก็จะไป จัดการกับเป้าหมายที่เราต้องการในขณะเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นทั่วตัวหมดเลยเดี๋ยวงวงมาเดี๋ยวคิดมาเดี๋ยวขี้เกียจมาเดี๋ยวอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจัดการเป็นเป้าหมายที่เราต้องยิงให้ตกถ้ายิงไม่ตกก็อย่างที่ว่าไม่ปืนด้านก็ยิงไม่ตรงถ้ายิงไม่ตรงก็ลูกกระสุนเปียกนี้นะยิงไม่ออกนะ เราเขาก็โดนเราก็โดนยิงแหละทีเนี้ยเราก็พับคอพับคอเอียงไปโดนยิงแล้วยิงอีกเราชักปืนไม่ออกเพราะว่าการฝึกไม่เข้มแข็งนะอันนี้อันสุดท้ายเ็าว่าอะไรอันสุดท้ายเขาคะเตติเตนิสินเนสุเตพาสิเตชาคลิเตตุธีพาเวสัมปายชานะกาเรหงุติตรงนี้สรุปทั้งหมดเลยว่า เราต้องมีความรู้สึกตัวโน้ตพร้อมในการไปในการหยุดในการนั่งในการพูดในการนิ่งแม้แต่นิ่งก็ต้องรู้ด้วยนะดุลธีพาเวในการพูดเวลาพูดเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติกำหนดเราก็จะฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องไม่ชัดอะ่ะเพราะนั้นเวลาการฝึกสติการพูดของเราจะชัดแล้วความจำของเราจะแม่นแล้วเมื่อก่อนพวกนิ่งเขาจําได้ที่ไหน เดี๋ยวฝึกสติมากเข้ามาเข้าหนังสือทั้งเล่มมันจะจําได้หมดโดยที่ไม่ท่องๆเลยว่างนะั้นน่ะจับตรงไหนมาก็นี่ได้เลยนักเรียนที่มาฝึกที่พระโบสนักเรียนเรียนเก่งเพราะอะรเพราเกิดสติสมาธิปัญญาปับ๊บเนี่ยจิตมันไม่ค่อยวอกแวกเวลาจะสอบขึ้นมานี่เวลาคลิกปับ๊บเนี่ยมันนึกออกหมดเลยนึกสิ่งที่เราอ่านถ้าเราอ่านหน้าไหนหน้าที่ไหนคํ า, าคตอบว่าอย่างไรเนี่ยมันจะเกิดไวส้สีหรือเกิดตัวแจ้งขึ้นมาในใจ เพราะอะไรเพราะจิตของเราเมื่อมีสติเข้าไปขัดไปเรามีสติเข้าไปสตัดตัดความคิดปรุงแต่งออกเสมอเสมอไอ้สิ่งที่เรานํามาปรุงแต่งแต่ละวันเนะี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นทุกเรื่องไหมไม่ใช่จำเป็นทุกเรื่องใช่ไหมบางทีเราคิดเรื่องเดียวทําทั้งวันยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมเพราะฉะนไอ้เรื่องที่เข้าไปมันตกค้างอยู่ในใจเขาเรียกว่าอะไร แล้วว่าจังขยะใช่ไหมขยะเยอะมากเลยนะขยะอึ่งความคิดเนี่ยพอพอเรามีสติปัญญาปั๊บมันก็เผาเบินเบินขยะเหล่านี้ทิ้งจิตของเราก็จะไม่มีขยะคือจังค้างเหลืออยู่ทีนี้ทางสมองทางการทํางานของคลื่นสมองขึ้นหัวใจปับ๊บมันก็ไม่หนักด้วยอารมณ์มันก็จะโปร่งใช่ไหมพอโปร่งมาพอเราจะรับทราบอะไรเนี่ยมันจะชัดมันจะเบาจิตใจเราจะเบาเราจาราจำอะไรได้เร็ว แลรึกอะไรได้เร็วเพราะฉะนั้นนี่ที่ว่าพระอริยเจ้าท่านเก่งๆเนี่ยท่านมีวิชาสามอภิญญาหกสามารถเหาะเหินเดินอาการได้สามารถรู้นั้นรู้นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยขอให้ชําระจิตไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นเองเพราะจิตของเรามีพลานุภาพมากแต่ที่มันอ่อนกําลังลงเพราะอะไรเพราะขยะไปถมมันเยอะเกินไปถ้าหากเราเปรียบเทียบอารมณ์ความคิดที่ไม่จําเป็นที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันถ้าเปรียบเทียบขยะนี่เป็นยังไง กองพนจนเทินเทิกเลยแล้วก็ขี้เกียจที่จะเผาด้วยนะถ้าเกิดขยะนั้นเปียกเปเน่าอีกทั้งหากเราก็มาเรียกว่าอะไรอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงดิดก็มาจากพวกชั้งเหล่านี้แหละแต่เราเคยเผามันทิ้งบ้างหรือเปล่าไม่เคยเพราะไม่รู้จักวิธีนีดังนั้นเองเราทั้งหลายที่โชคดีเพราะอะไรแต่โชคดีไมก็ทําให้ถูกด้วยนะถ้าทําไม่ถูกก็ เผอเพี้ยนงเ ง, ง่ายๆเหมือนกันแ น, นะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยคือมันก็ต้องทําให้ถูกนะทำให้ถูกหมายความว่าเราจะต้องเรียนไปฐานเนี่ยตามลําดับกายเวทนาในกายนี้ท่านก็แบ่งเป็นหกหมวดอย่างที่ว่ามาวันก่อนคือเรื่องลมหายใจลมหายใจนี่ถือว่าเป็นอิเดียบตรใหญ่หรืออิบรย่อยลมหายใจถือว่าเป็นอิเดียบตรใหญ่คือ อิบุตรีหรือว่าเป็นสัมภิญญาปภะเป็นอิทดียบุตรย่อยหายใจเข้าหายใจออกเป็นอิบุตรย่อยบวกอยู่ในสัมยยปชัญญะปภะแต่เพื่อจะให้แยกออกไปอีกต่างหากท่านก็ไปใช้เป็นอาณาปณะสติเพราะฉะนั้นอาณาปณะสติก็คือสัมยยปชัญญะปภะนั่นเองคืออิบุต ย, ย่อยบางคนบอกว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่ไดเ้เน้นลมหายใจแต่ความจริงท่านเน้นภาพตาปากหายใจเหลวซ้ายไหลขวา ลมหายใจก็เป็นอิริยาบถเราก็ต้องใช้แต่ว่าเราไม่เน้นให้ดูทุกส่วนในภาคที่เสมอกันให้มีความสมดุลกันไม่ได้เน้นส่วนใดส่วนแต่ดูให้ทั่วขณะที่เราดูไปในกายลมหายใจเราก็รู้ใช่ไหม <c oughs> เพียงแต่เราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในมันเท่านเองให้รู้เฉยๆรู้เข้าดูออกรู้ลึกรู้ตื่นดูแรงรู้ค่อยแค่นั้นเองเราจะไปดูแต่ลมหายใจในส่วนอื่นมันเยอะแยะเราไม่ไปดู กำลังของสติสัมผัสเราก็ไม่พอเหมือนกับเรากินอาหารอยู่ประเภทเดียวใช่ไหมกินอาหารสมมุติว่าแกงปลาแกงมาทุกวันไหวไหมไม่ไหวธาตุอาหารก็ไม่สมบูรณ์การเจริญสติก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นเน้นอันใดหนึ่งแต่ว่าพยายามดูทั้งหมดแต่การที่เราใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการเจริญสติแบบบูรณาการหมายความว่ามันบวกทุกเรื่องเข้าในนั้น บวกเรื่อ ง, อางการเคลื่อนไหวลมหายใจกันทุกอย่างอมาถึงใช้การหัวข้อเสวนาแต่วันนั้นไม่เคยตรงเป้าหมายเท่าไรรหร่นาอาจารย์นะว่าฮอริสติกอะไรนะฮอริสติกเอเคชั่นการการศึกษาแบบองค์รวมเอฮอริสติกไมฟูเนสการเชิงสติแบบองรวมก็หมายความว่าเราใช้อิรยบทย่อยให้มากที่สุดมันจะประสานกันทั้งหมดเลยในยบทย่อยมันจะรวม เรื่องลมหายใจเข้าไปเรื่องรวมเรื่องอินิบทศีเข้าไปรวมเรื่องของท่าศีาวันนี้พูดถึงเรื่องท่าศีนิดหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อจัดการเรื่องท่าศีก่อนจัดการอย่างไรการออกกําลังกายเป็นลักษณะของท่าไหนการทําโยคะเนี่ยเป็นลักษณะของท่าไหนที่เด่นเดนคือมันก็มีทั้งสี่ท่าเนี่ยแต่ท่าที่เด่นชัดที่สุดการออกกําลังกายเป็นท่าไหน ทัดไฟทำไปนานๆแล้วเป็นไง<อ>มันร้อนอ่าทัดไฟขึ้นแล้วนั้นหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือทำโยคะแล้วต้องเอ า, เ อ, าอะไรไปดับไฟอเอาน้ำไปดับไฟนั่นคือต้องดื่มน้ำเพราะหลังจากนั้นแล้วดื่มน้ำเราก็มาสวดมนต์มาภาวนาเป็นลักษณะของทาดไหน<อ>ทัดลม ลักษณะธาตุลมคือใช้ความเบาความสบายของจิตแล้วเขาเสร็จจากนี้เราก็ไปทานอาหารเป็นธาตุอะไรธาตุดินเห็นไหมดินน้ํำลมไฟต้องบริหารให้ชัดเลยว่ า, าชาว่วงเช้าถึงขึ้นมาออกกำลังกายก่อนนะเอาธาตุไฟไปก่อนไปเบินในความอึดอาด ย, ยืดยาดความหนักความเหนื่อยความไม่สบายของร่างกายออกไปพอเบินเสร็จแล้วเนี่ยมันยังร้อนอยู่ก็ต้องเอาน้ํ า, าไปดับ ดื่มน้ำสัก3ามสี่แก้วหลวงพ่อดื่มทุกวันวันนี้ยังไม่หมดเลยเลยสองแก้วนะี่นะนะตามบุตรีต้องดื่มสี่ขวดเล็กถ้าขวดใหญ่ก็คงขวดหนึ่งขวดฝานะดน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟสมดุลกันทุกวันถ้าเราเจริญสติโดยใช้ลักษณะอย่างนี้ธาตุสีก็จะมีความหมายในการรักษาอะไรรักษารูปกายนะเพราะร่างกายชีวิตของเรามี ส, สัมพันรูป ก, กับน้า แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าเออรูปมันเป็นอธิจังทุกขังอนาตามันเป็นเรื่องของธรรมาชาติอย่าไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยวางซะถูกต้องไหมความคิดแบบนี้ไม่ถูกพระพุทีเจ้าท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านจะต้องใช้มันอย่างระมัดระวังหลักฐานท่านใชว่าไงหันทะธานิพิขเวอามันตยามโมขยะวยะธรรมมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเทธะ วันนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งป ม, มีไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายต้องเจริญสติท่านใช้ว่าอัปปมาทาคือความไม่ประมาทกับการมีสติก็เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าสตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัปปมาทาธรรมท่านทั้งหลายต้องรักษาร่างกายนี้อย่าประมาทจะกินจะดื่มจะอะไรอย่าประมาทอยจะกินอาหารประเภทที่ไม่ถูกกระทาัดตัวเองว่าเราเป็นคนธาตุไหน เราต้องรู้เราเป็นคนเลือดกรุ๊ปไหนเอามาเป็นคนธาตุลมอย่างเงี้ยวันอาคารเลือดกรุ๊ปเ อ, อยียงี้ก็ต้องเลือกอาหารว่าเออเลือดกรุ๊ปเองต้องทานอาหารอะไรบ้างธาตุลมนี่ต้องอบางทีมันมีคนมีสองธาตุเราก็เลือกธาตุสีเข้ามาให้ถูกนั่นคือทานอาหารเป็นยาด้วยการเลือกรูปธาตุเรื่องกรุ๊ปเลือดของตัวเองปั๊บเนี่โยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะน้อยลงเพราะว่าเราไม่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่ผิด พลาดผิดลงผิดเลือดของเราแต่คนทุกวันนี้ไม่มีความแยบแคลนไม่ได้เจริญสติใช่ไหมก็ทําให้ปฏิบัติต่อรูปไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติต่อรูปไม่ถูกต้องรูปนามที่เรารู้ไป็นรูปนาที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันมันก็ไม่ได้รับผลการเจริญสติร้อยเปเซนที่เกิดสติเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อดูว่าเอพระหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เราคิดว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์เนี่ย ทำไมท่านพอบำเพ็ญจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยกูจะมาทําประโยชน์เพียงไม่กี่ปีท่านก็ป่วยละกระสอบ ก, กระแสไม่นานท่านก็ไปละแทนที่เราจะใช้ประสบการณ์ในการเข้าถึงธรรมของท่านมาเผยแพร่มาประกาศมาสอนอบรมสั่งสอนประชาชนคนในโลกที่เขาไม่มีโอกาสอย่างท่านเนี่ยให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดอยู่สอนสักสามสิบปีห้าสิบปีเนี่ยน่าจะได้รประโยชน์กันทั่วแต่ที่ท่านมาสอนมาอบรมเราไม่เท่าไหร่ท่านก็ไปละเฮ้ยทาไมเป็นอย่างนั้นนะเราก็นึก ถ้าหากว่ารูปนามนี้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วทมต้องรักษาทำรย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเป็นนิดแต่ด น, นร่างกายก็เวลามันเป็นทุกข์มันเสื่อมก็จะต้องรักษาได้ในอานิสงของสติปัฐานสีที่ว่าทุกขโทมนานาสา낭อัดถังขมายะใช่ไหมที่เราบกวันนั้น พราะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ความทุกข์มันจะตั้งอยู่นะความทุกข์กายทุกใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ส่งข้อหนึ่งแต่เมื่อร่างกายมันเป็นทุกข์อยู่มันตั้งอยู่ได้แสดงว่ามันไม่ถูกอันนี้ส่งข้อหนึ่เจริญสติหลวงพ่อก็พยายามหาเหตุผลตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่มาคิดมั่วเอาตามความต้องการของตัวเองนะว่ามีหลักฐานยืนยันไหมที่ที่กล่าวอ่างนี้ว่าธรรมันจเจริญสุดจริญตั้งปฏิบัติทําให้บริสุทธิ์ ทำรรมาสุขาวหติทำโมหะเวสุขาวหะติทำรรย่อมรักษาผู้ผผป่วยทำไปนิดเออแล้วก็ป่วยอ่ะทำรักษาเราตรงไหนอใช่ไหมทำทั้งรักษาเราทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจดิสแสดงว่าเราประพูดปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกเราถึงธรรมะถึงไม่รักษาเราอันนี้เหตุผลหนึ่งนะนีและเหตุผลอันที่สองว่าใ น, นเมื่อรู้วาร่างกายนี้สังขารนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเราต้องใช้อย่างไม่ประมาท คือมีความไม่ประมาทในร่างกายสังขารนี้นะเหตุผลประการที่สามทุกขทโทรมรณาณังอังถังขมายะเมื่อเจริญสติอย่าถูกต้องต้องได้อานิสงส์ไม่กายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใช่ไหมมีหลักฐานมาให้ไปถึถงสามสี่แห่งอย่างนี้แล้วถ้าทํำไมเราทําไม่ถูกอ่ะนี่เป็นเหตุให้หลวงพ่อมาทําเรื่องนี้แล้วก็หลังจากเข้าใจธรรมะชัดเจนแล้วก็ใช้เวลาในการเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยที่ ไม่กังวลถึงเรื่องสุขภาพเลยเพราะเราดูแลเขาแต่ไม่ใช่เอายาปฏิชีวนะหรือยาเคมีมาดูแลนะเอายาธรรมชาติเนี่ยเอาอาหารเป็นยาอาการออกกำลังกายเป็นยาเอาการทำลมปรานในช่วงที่เราทำโยคะทำลมปราณด้วยใช่ไหมหายใจเข้าออกตามจังหวาะาลองพ่อกำลังรอไอเสียคลุมอยู่นะถ้าจะ เปิดจีบอสาธิตเป็นพรีเซนเตอร์ดูคงไม่น่าคงไม่น่าดูเท่าไหร่ไหมต้ อ, องมีเสื้อคลุมน่ อ, อแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำจิตใจก็สดใสร่างกายก็ปลอดโปร่งนะแล้วสตรีปัญญาเซลประสาทระบบสมองอะไรก็ทำงานได้ดีเพราะว่ามันไหลลื่นฟล์ของท่าสีใช่ไหมดังนั้นพวกเราชาวอาสมสินให้ได้ไประโยชน์ทั้งสองส่วน ถ้ามาเจริญสติและส่วนกายก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีใดเมื่อเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาตามฤดูการตาะไรมาไม่ไม่ได้ไปหาหมอนะดูว่าเรากินอะไรผิดแล้วฤดูนี้มันฤดูหนาวฤด ร, ร้อนฤดูหนาวร่างกายต้องการอะไรฤดร้อนต้องกายร่างกายต้องการอะไรไปจัดการตรงนั้นไปจัดการท่าสีให้ถูกเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าเป็นโรคที่มันละเอียดลึกไปกว่านนะั้นมันก็โทรถามหมอนะ ถ้าทำหมอหมอไปอย่างเงี้จะแก้ไขยงไงท่านก็บอกเรื่องยาอุยาไม่ต้องบอกหมอบอกวิธีการมากแล้วกันก็ไปหาพวกสมุนไพรบ้างอาหารที่เป็นสมุนไพรบ้างนะก็อันนี้คือแก้ไขท่าสีไม่ให้มันเจ็บป่วยคือเจ็บป่วยน้อยที่สุดไม่ให้เจ็บป่วยเป็นไปไม่ได้แต่เจ็บป่วยน้อยที่สุดอะอยู่ในวิสัยที่จะดูแลรักษาได้ขณะจิตของเรามันมีกิเลสมีมูนทินมีโรค กเิเลสลูกลานอยู่เนี่ยเรายัางรักษามันได้เลยใช่ไหมแล้วร่างกายอ่ะมันไม่ได้มันมีตัวให้สัมผัสมันก็ต้องรักษาง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไปตามกฎของใจรักที่มันจะต้องเจ็บป่วยไปตามกฎของใจรักแต่พุทธิชาติบอกว่าเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงก็อย่าประมาทสิตัวที่จะทําให้กฎใจรักมันอยู่เหนือกฎใจรักได้คือความไม่ประมาท ก็มาเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วเราก็เอ็กซเรย์ร่างกายของเราตลอดเวลาเอาสติสัรยัปไปเอ็กซเรย์ดูว่าขณะนี้ร่างกายของเราเกิดทุกขเวทนาต ร, ต ร, ง, ตรงไหนเพราะเรารู้กฎของโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเพราะทุกขเวทนาสั่งสมใช่ไหมเมื่อสั่งสมทุกขเวทนาแล้วมันมีความเข้มข้นในทุกขเวทนานั้นเช่นแล้วนั่งนานๆไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนทุกขเวทนาตที่สั่งสมกลายเป็นอะไร กลายเป็นอมภพุกอมาภาพเพราะเรานั่งทับตรงนั้นนานเข้าเลือดลมที่จะเข้าหมุนเวียนไปตามธรรมชาติที่จะไปเลี้ยงเซลล์ตรงนั้นให้เฟลชให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอมันตายตายเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งทับเขาแล้วไม่ไม่ยอมขยับเพราะนั่งทับเซลเล์เล็กๆในร่างมาตายเขามีตัง้งมมีรู้กี่ล้านเซลล์ใช่ล้านเล็กๆๆ เ, เ, เ, เนี่ยเป็นเป็นไมโครเซลล์เนี่ย ถ้าหากว่าเราไปนั่งทับนั่งบุตรนั่งเบียดเขาโดยที่ตามความอยากตามความคข้ยใจปิดของตัวเองว่าฉันจะนั่งจะห้าชั่วโมงดูอะไรจะเกิดขึ้นนั้นไม่ขยับเลยนะอันนี้คือการทําร้ายตัวเองอย่าใช่ไหมเพราะร่างกายก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติอะแล้วเราเอาความอยากไปจัดการกับเขาอะนี่คือการเป็นสาเหตุของโครคภัยไข้เจ็บนะและในเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญอยากจะให้พวกเราไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะ แล้วสาเหตุที่ทำให้รูปกายนี้มีปัญหาจะสุขหรือทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยสี่อย่างตามหลักของวิธรรมกรรมจิตอุตุอาหารร่างกายเราจะมีโรคหรือไม่มีโรคร่างกายเราจะสุขจะทุกข์อาศัยเหตุปจัจจัยสอย่างนี้เรามาดูแต่ละอย่างว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทาใช่ไหมกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมขณะที่เรานั่งนี้เป็นเป็นกรรมอะไรกายกรรมใช่ไหมกรรมคือการนั่งถ้ากายกรรมตรงนี้มันก่อให้เกิดกรรมไม่ดีอกุศลกรรมทางกายก็มี ก, กุศลอกุศลอยู่ถ้าเรานั่งมันไม่สบายนี่เป็นกุศลหรืออกุศล น, นั่งแล้วมันทุกข์เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลใช่ไหมอกูรกรรมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม นี่คือเรีย บ, บาปทางกายก็เกิดขึ้นถ้าเราไปคิดว่าเราจะนั่งสักหชั่วโมงเนี่ยแล้วร่างกายทรมานเบียดเบียนร่างกายสิ่งผู้ที่เจ้าบอกว่าทำเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและผู้อื่นทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมและไม่ใช่วินัยของเราแต่ถาคตไอการที่ทําให้ร่างกายลำบากนี่ถูกต้องตามความสอนผู้เจ้าไหมไม่ถูกเราจะไปบอกโอ้เราปฏิบัติธรรมาทั้งนานทำไมต้องเจ็บต้องป่วยธรรมะไม่ช่วยเลย จะช่วยได้ยังไงเพราะเราทำไม่ถูกตามคำสอนของท่านอาจจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรที่ไม่ระมัดระวังไปเหยียบตรงนั้นไปชนตรงนี้ให้เจ็บให้ป่วยเนี่ยเป็นกายกรรมใช่ไหมเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลดูให้ดีวันวันหนึ่งที่เราต้องเจ็บต้องปวดเพราะโดยกรรมเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้กายกรรมเห็นชัดช น, นะตัวอย่างทีนี้ดูมนกรรมว้าง วันหนึ่งจิตของเราที่มันคิดกุศลอกุศลอะนไหนมากกว่ากันพูดความจริงนะนักกลัวเลยใช่ไหมคิดดีกับไม่ดีอันไรมากกว่ากันอ่าถ้าเราสู่สูเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีศีลธรรมา ก, ก่อนก็ยิ่งหนักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทาไมคนทั้งหลายถึงเจ็บป่วยเพราะว่าอากุศลตัวนั้นมันเยอะเข้าไปแล้วมันก็เป็นจังแล้วก็เป็นเนื้อร้ายขึ้นมาในใจ มะเร็งที่จะก่อไ ป, ส, erosion, ปสู่กายเนี่ยมันเกิดที่ใจก่อนเกิดมะเร็งในใจก่อนมะเร็งในใจหมายความว่าเราสั่งสมความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอกุศลนี่เยอะไม่เยอะสั่งสมมาเข้ า, ขามาเข้ามาทำให้สารอะไรมันหลังนะพร้อมก่อให้เกิดการตึงเครียดใช่ไหมสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ไม่ดีในคิดแล้วมันเครียดพอเครียดแล้วก่อให้เกิดหลั่งสารอะไรอานิเรนและอา น, นิเรนนี่ถ้ามันเกินไปกลายเป็นสารพิษถ้ามันพอดีมันกลายเป็นพลังใช่ไหมเหมือนยาถ้ากินมากเกินไป มันกลายเป็นยาพิษถ้ากินพดีตามหมอสั่งมันกลายเป็นยารักษาอะนีนาลินก็เหมือนกันถ้ามันเกิดพอดีนี่เป็นพลังแต่ถ้ามันเกินพอดีมันกลายเป็นสารพิษแล้วสารพิษตัวนี้ไปทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเป็นไงอ่อนแอได้ตายแล้วเซลล์ในร่างกายของเราอ่อนแอได้ตายมากๆการขับถ่ายเราก็ไม่ดีการดูแลเราก็ไม่ดีเซลล์เหล่านี้ไปรวมที่ใดที่หนึ่งมันเซนซิทีฟอย่างในร่างกายผู้ชายที่เซนซิทีฟก็คือ หัวใจบ้างกระเพาะบ้างต่อมรูปหมากบ้างมีความเซนซิทีฟของผู้หญิงของเราก็มีเต้า น, นมบ้างมีมดลูกบ้างเซนซิทีฟเมื่อนเซนแล้วเซลเหล่านี้มันก็ไปรวมกันตรงตายที่ตรงนั้นมันก็เกิดเป็นไม่ใช่โรคนะะเร็งเป็นอะไรเป็นเนื้อร้ายเกิดจากเซลลต่างๆไปรวมกันตายที่นั่นการขับถ่ายไม่ดีก็ให้เกิดเป็นเนื้อร้ายเราเรียกว่าเมลิงเพราะนั้นสาเหตุมาเกิดมาจากอะไร เกิดมาจากอารมณ์ที่เราคิดอกุศลเยอะๆแล้วอกุศลแล้วไปทําให้เกิดหลังอะดรีนาลีนแต่ถ้าเราทํากุศลเยอะๆจิตใจเราผ่อนคลายใช่ไหมสบายมันหลั่งสารอีกอันนึงเอเดอฟินใช่ไหมเอเดอฟินก็ทําให้เกิดเป็นเกิดการผ่อนคลายสบายร่างกายก็เป็นไงก็สบายเอเดอฟินมันหลัง่งร่างกายก็ผ่อนคลายมันก็มีผลต่อจิตจิต ก, ก็สบายใช่ไหมนิกรรม เป็นสาเหตุที่หนึ่งนะต่าไปจิตกรรมกับจิตนี่สัมพันธ์กัน <c oughs> กรรมกับจิตเนี่ยเป็นนามรูปและรูปนามถ้าจิตของเราคิดสั่งสมในสิ่งที่เป็น <c oughs> คือหมายของว่ามีอะไรกระทบปั๊บมันตอบสนองทันทีมีอะไรกระปั๊บมันตอบสนองทันทีจิตของเรามีตัวยั้งไหมไม่มี อย่างพวกออเทสติกพวกเด็กที่สมาธิสั้นทั้งหลายเพื่อเนื่องจากการตอบสนองมันไวมากจิตไม่มีตัวเบรกเลยจิตไม่มีพลังเลยตอบสนองไวมากรีสปอนส์ต่อสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าเราจเจริญสติจเจริญสมาธิพออะไรมากระทบปับ๊บมีตัวยั้งไหมตั้งสติก่อนก่อนที่จะตอบสนองจิตของเราก็ไม่ได้สั่งสมเอาสิ่งที่ผิดพลาดหรืออกุศลเข้ามาจิตไม่ได้สั่งสมมาก ถึงสังสมแต่ว่าเ็ามีตัวด l ล t ตตัวขจัดออกไปด้วยการใช้สตินะนั้นถ้าจิตที่ถามไปวิ่กี้ว่าวันหนึ่งในแง่ของมโนกรรมเนี่ยเราคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นบุญกับบาปไหนมากกว่ากันในสิ่งที่เป็นถูกเป็นผิดไหนมากกว่ากันในสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลไหนมากกว่ากันในทิ่งที่สงบและฟุ้งซ่านไหนมากกว่ากันเอาไปเปรียบเทียบดูนักลวไหม น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราเจอเจอสติเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวนี้เพื่อป้องกันตัวจิตเพราะจิตแล้วมันก็ไปสร้างกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจิตเป็นนามต่อไปที่เป็นรูปก็คืออุตุกอาหารกรรมจิตอุตุอาหารเพราะฉะนั้นอุตุหมายถึงดินฟ้าอากาศแต่ในภาษาของแพทย์เขาใช้คําว่า vitality คือพลังของชีวิตที่เป็นอิติอาชัตตังวาเนี่ยกายเยกายานุปสติสีปัสติคือหมายถึงว่าพลังภายในที่เป็นไวทอลิตี้ภายในพลังของชีวิตเรียกว่าเป็นอิติอชั ต, ตาอชัดตอุตูอชัด ต, ตาตูทีนี้ไอ้ตัวพลังภายนอกก็คือดินฟ้าอากาศร้อนจัดเย็นจัดหนาวจัดฝนตก อ, อากาศแปรปรวนอันนี้เป็นพระิด พระอีท้าอุตุมีผลต่ออาเชอุตุมไหมมีถ้าภูมิต้านทานเราไม่ดีอากาศเย็นเกินไปเป็นไงเป็นไข้เป็นหนาวอากาศร้อนไปไงเป็นไนข้เป็นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงก็มีผลเปลี่ยนแปลงที่พลังภายในเพราะนั้นเราก็มาสร้างพลังภายในคือไวทอลอะไ ร, รว่าไวทอลิตี้ฟอร์สเข้าไหมให้สมดุลกันสมมติว่าเรามีพลังต้านทานภายในสาสบอย่างเงี้ย แต่ความร้อนขึ้นสามเราไปไงไขได้ใช่ไหมพลังเรามีแค่ภายในเรามีสามี่สแต่ความร้อนขึ้นสี่สิบห้าบาทีอาจจะช็อกเลยก็ได้ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉ ต, ตะอุตุกับภหิทะอุตุไม่สัมพันธ์กันก่อให้เกิดความไม่สบายที่เราแน่ใจได้ไงว่าพลังภายในเราเพียงพอที่จะต่อต้านนั้นก็คือมาการปรับท่าสีทุกวัน รับดินน้ำรำลงไฟให้สมดุลทุกวันแล้วกำลังภายในคือวิตาินดีฟอสเนี่ยจะสามารถที่ดูแลร่างกายของเราเองได้สำคัญไหมนี่แล้วตัวสุดท้ายอาหารโอโ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องอาหารทุกวันนี้อาหารเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเลยนะพูดกัน3าวัน7วันไม่จบเลยเรื่องอาหารนี่นะอาหารที่เป็นจังฟู้ด เฮลที่ฟูดมีเท่าไหร่แต่ละวันที่เรากินเนี่ยระหว่างจั่งฟูดกับเฮ t ที่ o o d เรากินอะไรมาฝาอ่าโอ้โหน่าตกใจเลยใช่ไหมอาหารทุกอย่างที่ถูกลิ้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่ถูกธาตุมันถูกใจแต่ว่ามันไม่ถูกธาตุของเราอ่าอย่างสมมติว่าตัวอาหารนี่ก็รวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมเครื่องดื่มแทนที่เราจะดื่มน้ำสะอาดเราไปดื่มน้ำอะไรบ้าง กาเฟเป๊ปซี่โค้กล า, อาโอวัลตินไมโลเอม็มพันเอม็มร้อยเครื่องดื่มชูกาลังอ า, อาหาร อ, าอะไรปรุงแต่งทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราเก็บน้ำสะอาดไว้หนึ่งเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลง ม, มันเน่าเสียไหมไม่เน่าแต่ถ้าเราเก็บโอวัลตินในขวดแบบเดียวกันเนี้ยสักหนึ่งเดือนเป็นไง เน่าเสียแล้วใช่ไหมแล้วเก็บน้ําอุ่นไว้อย่างเงี้ยสิบวันสิบวันก็เหมือนเดิมใสเหมือนเดิมสะอาดกินไดไ้เหมือนเดิมแต่เก็บกาแฟที่ชงแล้วสิบวันแบบนี้มันเป็นไงมันเน่าเสียแล้วเพราะสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งนั้นต้องแปรปรวนเสมอเปลีป่ยนแปลงไปจากบุตรไปเน่าแต่น้ำสะาดเนี่ยมันไม่มีสารปรุงแต่งมันก็เหมือนน้ำใช่ไหมวัตถุ ก, ก็มันคือสารปรุงแต่งก็เหมือ น, นรูป เมื่อรูปกับน้ําไปปนกันโดยเดียไม่แยกเนี่ยมันก็ทำทำร้ายซึ่งกันและกันเราแยกรูปออกจากน้ำน้ำออกจากรูปได้น้าก็บริสุทธิ์รูปก็บริสุทธิ์มันก็ไม่เบียดกันนะอย่างดินเนี่ยโดยที่ไม่อะไรปนเลยดินนั่ก็ไม่ถูกปอมปนสะอาดไหมดินนั้นเน่าไหมแต่ดินนั้ถูกสารพิษหรืออะไรปนไปมากๆดินนั้นเน่าเสียใช่ไหมแต่ดินที่บริสุทธิ์นั้นรูปก็บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีสารเจียปนน้ําก็บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีสารเจียปน นามก็บริสุทธิ์ได้คือจิตของเราโดยไม่มีความคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวันวั น, วนหนึ่งสรรเจียวปนที่เข้าไปในความคิดของเราที่มันปรุงแต่งจิตของเราเป็นไงเยอะมากนะเยอะมากเลยจนเอาไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจึงมาจเจริญสติเพื่อเป็นตัวอะไรตัวกรองตัวฟิลเตอร์ตัวกลั่นตัวกรองตัวต้มให้จิตกลั่นจิต ข, ของเราออกมาถ้าไม่มีความเป็นเราไม่ต้องไปคิดอะไรถ้ามีความเป็นญต้องคิด ให้มีสติในการคิดเมื่อมีสติในการคิดความคิดนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาถ้าขาดสติในการคิดความคิดนั้นก็กลายเป็นตันหาเพราะนั้นวันหนึ่งระหว่างปัญญากับตันหาอะไเกิดมากกว่าก็ไปคำนวณเอาก็แล้วกันมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะแต่เนื่องจากพ่าเรานึกไม่ถึงอะ่ะว่ามันจะเป็นอย่างนี้พ่อมามาลู้กฎอันนี้มาก็เริ่มจัดการกับตัวเองก่อนเลย แล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์นี้ไปแชร์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นมาไปไหนในเรื่องแพทย์ทั้งเรื่องติดตามประเด็นมื่อว่ายุโรปมอเมริกาเนี่ยปีก่อนเดินเรื่องเอาหมาเขียวไปเลยนะทีนี้เราไม่มีความรู้ความชํานาญในด้านนั้นเราเพิ่งเอาคนที่เขาควารู้ความชำนานไปทําแทนไม่ใช่เราจะรู้รู้ไปทุกเรื่องเราถ้าเอาคนที่เขามีประสบการณ์ชำนิชำนาญไปช่วยไม่ใช่ว่ารู้ธรรมะจะรู้ทุกเรื่องไม่ใช่แต่ก็เรารู้ในส่วนที่เราควรจะรู้คือดักทุก แก้ปัญหาแล้วเกิดสติปัญญาขอความร่วมมือคนที่เขารู้ในเรื่องเฉพาะเรื่องนั้นๆมาช่วยได้อย่างพุทธเจ้ายัางใครช่วยพุทธเจ้าในการดูแลสารโลกหมออะไรหมอชีวกเนี่ยชีวกโกมาลพัฒเนี่ยถ้าพุทธเจ้าท่านเอาแต่ธรรมะแล้วไม่ต้องอาศัยหมอสิเขาจะว่าไปอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าก็อาศัยหมอหมอชีวกโกมาลพัฒนเนี่ยก็ช่วยท่านได้นี่คือที่เราจําเป็นจะต้องดูแลทั้งรูปทั้งนามให้ดี นะเอาละสาเหตุของความสุขความทุกข์ของกายมี4 อ, มอย่างคือกรรมจิตอุตุอาหารเราอยากจะให้กายนี้สบายไม่ทุกเลยเราก็มาจัดการที่ไหนกรรมจิตอุตุอาหารจัดการด้วยสติสมาธิปัญญากรมจิตอุตุอาหารที่ไม่มีสติสมาธิปัญญากรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นเหตุไปสู่ไทยของความทุกข์ และความเจ็บป่วยแต่ถ้ากรรมจิตอุตต่อาหารนี้ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญากรรมจิตอุตู่อาหารก็เป็นเหตุให้ดับทุกข์ดับโรคดับภัยดับความไม่สบายต่างๆเห็นภาพไหมเห็นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ทําไมจึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะเรายังมีความอยากอยู่อาหารอะไรถูก ป, ปากอร่อยกรอบมันหวานอย่างนี้นะ เอามาไม่แตะต้องเลยเดีวพวกนี้เนะี่ยถ้าจะกิน อ, อาหารผุกกรอบสักชิ้นหนึ่งก็โอ้นานๆครั้งหนึ่งปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผักหญ้าอาหารที่ปล่อยสารพิษฐานทุกวันนะแล้วก็เราทานน้าทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการดีท็อกไล่ออกไปแต่บางครั้งเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปบางวันเนี่ยมันมันไล่ออกไม่หมดมาก็ทําดีท็อกอีกครั้งหนึ่ง Detoxify ออกไป Detoxification ก็ทำดีท็อกมาประมาณ1ิกว่าปีแล้วร่างกายก็สบายนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคนสมัยใหม่ควรจะต้องรับรู้ได้ศึกษาแล้วคิดว่าทางสถาบันอาสมสินป์เคนจะเป็นสถาบันต้นแบบในการสร้างความอาสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแล้วก็พวกเรานี่แหละจะเป็นต้นแบบเพราะนั้นสุขภาพต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าใครมาเจริญสตินะต่อไปสุขภาพไม่ดีแสดงว่า สอบตกเราเางั้นเถอจเจริญสติไม่ได้ผลนะต้องเฮลที่ดีขึ้นอันนั้นคือสวรรค์ใช่ไหมสร้างสวรรค์ได้คือร่างกายดีคือสวรรค์ได้ถ้าจิตใจสงบก็เป็นพรหมใช่ไหมนะแต่เราไปไกลกว่านั้นอีกไม่ใช่เอาร่างกายดีเอาจิตใจสงบอย่างเดียวรู้ทั้งกายทั้งใจและไม่ยึดในสุขภาพดีไม่ยึดในความสงบแต่ใช้สุขภาพดีและใช้ความสงบให้เป็นประโยชน์ให้เกิดตัวปัญญาเพื่อจะเอาตัวปัญญา เหล่านี้ไปทําลายกิเลสและอาสวะนะส่วนหนึ่งนะที่หลวงพ่อต้องดูแลสุขภาพก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าอาสวะเราไม่สิ้นถ้าเกิดตายไปก่อนเนี่ยเป็นไงเราก็ต้องไปเว้นว่ายตายเกิดอีกเพราะนั้นอาสวะจะต้องหมดในชาตินี้เพราะเราไม่แน่าจะเป็นเว้นว่ายตายเกิดอีกไม่ได้หรอจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมเพราะอาสวะมันหมดเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีก เพราะนั้นเราต้ต่อชีวิตเอาไว้เพื่อทําลายอาสวะไปเรื่อยๆมันไม่ได้หมดง่ายๆนะอาสวะนี่นะกิเลสตัณหาอุปทานะจะหมดแต่อาสวะยังไม่หมดระหว่างอาสวะกับวาสนาต่างกันยังไงใครรู้บ้างอาสวะก็เป็นคําแปลกอยู่แล้วใช่อหมแต่วาสนาทุกคนได้ยินใช่ไหมอาสวะเนี่ยมันเหมือนกับเหล้าที่อยู่ในขวด กินแล้วเมาแต่ว่าศสนานั้นเหมือนกับว่าเหล้าที่ทานหมดแล้วแต่ใครไปดมแล้วก็รู้ว่าเป็นขวดอะไรเป็นขวดเหล้าหรือน้ำมันก๊าซที่ใช้หมดแล้วใครไปดมก็รู้ว่าเป็นขวดน้ามันกา๊าซใกล้เคียงกันนั่นหมายก็ว่าพระบางคนที่ท่านบนรรลุธรรมแล้วพฤติกรรมของท่านก็ยังความเคยชินยังเหมือนเดิมท่านเรียกว่าาสนานะนนว่าสนา เช่นท่าเคยเป็นคนภายนอกพูดตรงไปตรงมาไออีกูมึงท่านจะมาดัดเหมือนคนในเมืองเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะท่านเป็นคนภายนอกก็บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วท่านก็ต้องใช้อย่างหลวงพ่อคูนี่ใช่ไหมถ่าใช้กูเชื่อมึงอยู่ภาษาท่านถือว่าท่านพูดด้วยอาสวะไม่ไม่พูดได้ว่าสนามของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างภาษาเรบุตรนี่ว่าสนามของท่านเป็นคนวัยเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยท่านไปก่อนเพื่อนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งพนระพากันพุทธเจ้าพาเดินทุดงไปไปข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ําอจิรวดีแม่น้ํำในเรืองอิราวดีที่อจิราวดีเนี่ยเป็นหน้าแรงพอหน้าแล้งมันก็หาดมันก็ขืนก้อนหินเนี่ยนะตะปุ่มตะปังพระสารีบุตก็ไปกระโดดข้ามจ่องๆๆไปนั่งนูง่นรอเพื่อนพระพุทุชนที่ตามพุทธเจ้าไปก็สงสัยเอ้พุทธเจ้านี่ตัดสินผิดหรือเปล่าเนี่ย พระสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญามากแล้วก็เป็นถึงอัคราสาวกทาไมทาตัวไม่เหมาะสมก็คุยกันไปข้างหลังใช่ไหมอพอไปพุทธิเจ้าก็รู้ดิพุทธิจก็รับทราบได้ยินกอเลยไปหยุดที่แห่งหนึง่งเพื่อที่จะไม่ให้พระปุถุชนนั้นเป็นบาปท่านก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าพระสาริบุตรเนี่ยอดีตเขาเป็นอะไรบอกไม่รู้เขารับ เขาเกิดเป็นพยาวานอนมาห้าร้อยชาติก่อนที่เขาเป็นพระสารีบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นวาสนาเหล่านั้นน่ะเคยเป็นคนเรียวมาตั้งห้าร้อยชาติจะละได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นคนที่ละวัฒนาได้คือสัมมาสัมพุท ธ, ธาเท่านั้นพระอหันต์ละไม่ได้แต่ละอาสวะได้แต่ละวัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปเห็นพระลุงปู่ลงุงตาที่แทนเป็นพระอริยะเราไม่เรียบร้อยลงชงชิงเนี่ยจะไปว่าท่านไม่ได้นะวัฒนาท่านเป็นอย่างนั้น ถ้าท่านเป็นคนเมืองท่านก็จะเรียบร้อยแบบคนเมืองถ้าเป็นคนบ้านนอกท่านก็จะเรียบร้อยแบบคนบ้านนอกแต่จะมาดัดจริตเหมือนอคนในเมืองก็ไม่ได้คนในเมืองจะไปดัดจริตเหมือนพระ บ, บ้านนอกก็ไม่ได้ตามวาสนาของใครของมันเราถึงหมดกิเลสแล้วเนี่ยวิสนาของเราจะเคยเร็วก็เร็วเหมือนเดิมเคยทําอะไรที่เรียก ว, ว่าว่องไวก็ว่องไวเหมือนเดิมเงี้ยแหละเพราะเคยเป็นลิงมาก่อนใช่ไหมแต่เราคงไม่มีเนาะ ด้านั้นอันนี้เรื่องเสื่มเข้ามานะ้ำมลหมดเวลาพอดีทำไมเนี่ยตอนเช้านี้หลวงพ่อพูดถึงความหมายในการดูแลรักษารูปนะว่าจะทําอย่างไรให้รูปนี้สบายและรูปนี้ถ้ารักษามันให้ดีนะมันก็อยู่ได้นานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครที่จะต้องการอายุยืนถึงร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยให้เจริญอิธิบายสีนะ่อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะ มีโอกาสเพื่อคุยกันนะดังนั้นก็ในการมาเจริญสตินี้หลวงพ่ออยากจะให้มีสุขภาพทางกายและจิตดีเท่าๆกันอย่าให้ความสําคัญทางกายหรือจิตแต่ให้มันสมดุลเท่าๆกันเรียกว่าเป็นธรรมนิยมถ้าไปนิยมดูแลร่างกายมากเกินไปก็เป็นวัตถุนิยมถ้าไปดูแลร่างกายจิตพัฒนาดังจิตไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นจิตนิยมไม่ถูก แต่ถ้าพัฒนาทั้งกายทั้งจิตให้ไปด้วยกันอย่างสมดุลรักษาสึ่กันและกันได้เรียกว่าธรรมนิยมนะก็ขอให้เราเป็นผู้ที่เป็นธรรมนิยมเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีช่วยคนตัวเราเองเนี่ยให้พ้นความไม่สบายทั้งกายทั้งจิตก่อนแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เราปฏิบัติ ต, ต่อตัวเองนี้ไปแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจ ของพวกเราทั้งหลายในการที่จะนำการเจริญสติตัวนี้ไปวิวัติพัฒนาจนสามารถเห็นกายเห็นจิตของตัวเองรักษากายให้สบายรักษาใจให้สงบด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ